ส่วนติกาที่สโดยเกี่ยวกับ ป, ปรามัถศีลอภรามัถศีลและปฏิปัสสทศีลคําว่าปรามัฏฐานศีลก็ค yes. ือศีลที่ตันหาและทิฐิถือมั่นรวบคลั่มเนี่ยนะศีลที่ตันหาและทิฐิปรามัฏฐาเนี่ยแปลว่ารูปคลั่มก็ได้แปลว่าถือมั่นก็ได้ศีลที่ตันหาและทิฏฐิยังรูปคลั่มอยู่อภรามัถศีลก็คือศีลที่เป็นปัจจัยแก่มรรคผล ศีลที่ตันหาและที่ถีไม่ลูกคลำส่วนปฏิปัสสธิศีลก็คือศีลที่เกิดร่วมกับผลจิตศีลที่เกิดร่วมกับผลจิตเนี่ยเป็นปฏิปัสสติแปลว่าสงบประงับศีลที่สงบประงับก็คือศีลที่เกิดร่วมกับผลจิตอปรามัทธศีลก็คือศีลที่เกิดร่วมกับมรรคก็ได้ศีลที่เกื้อกูลต่อมรรคก็ได้นติกะที่สาม ปรามัฏฐาีนอปรามัถฐาีลและปฏิปัสสทิศีลส่วนติกะที่สโดยเกี่ยวกับวิสุทธศีลอวิสุทธศีลและเวมติกศีลวิสุทธศีลก็คือศีลที่บริสุทธ์นะคำว่าศีลที่บริสุทธิ์ก็คือยกตัวอย่างพระก็เป็นศีลที่ท่านไม่ได้เป็นอาบัติเลย อวิสุทธสินนี่ก็คือสีลที่อย่างถ้าพระก็ไม่มีอบัติติดตัวหรือเป็นแล้วก็ทําคืนเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เรียกว่าวิสุทธสินบริสุทธแล้วส่วนอวิสุทธสินก็คือยังมีอบัติิ้างคายัยางชําระไม่ได้ส่วนเวมติกาสินก็คืออสินของพิกษุผู้มีความสงสัยในวัตถุเอ้เนี่เมื่อเช้าเนี่ยฉันเนื้อหมูหรือเนื้อหมีวะเนี่ยนะสงสัยแบบนี้อยู่เรียกว่าเวมะติกาสิน เราเออเราเป็นอบัตทุกโกรหรือปาจิตีเนี่ยสงสัยในอบัตนะนะหรือว่าสงสัยในอัจฉรจานเออไอที่เราทําเนี่ยมันเป็นอบัตหรือไม่เป็นนะนะเออที่เราฉันเนี่ยมันถึงเวลาหรือไม่เป็นยังไงอันนี้ยังสงสัยในลักษณะนี้เรียกว่าเวมติกาศีลนะศีลที่ยังมีความสงสัยเวมติกาเนี่ยแปลว่าสงสัยนะ ศีลที่บริสุทธิ์ศีลที่ไม่บริสุทธิ์และก็ศีลที่ยังอยู่ในระหว่างความสงสัยอยู่ น, นะเ่อนก็ยังจัดมาให้กันนะแล้วก็ต่อไปนะโดยเกี่ยวกับเสขะศีลคําว่าเสขาก็คือเกิดในสิกขาหรือเกิดในสิกขาสามเนี่ยนะศีลของเสขะบุคคลศีลของพระเสขเนี่ยนะศีลของพระโสดาบันจนถึงศีลของผู้ได้อรหัตตมัก อย่างนี้เรียกว่าเสกะศีนส่วนอาเสกะศีนก็คือศีนที่ไม่ต้องศึกษานะก็คือศีนที่เกิดร่วมกับอรหัตผลและจิตส่วนเนวะเสกขานาเสกขศีนก็คือศีนของไม่ใช่ศีนของพระอริยะใครก็คือต่ำกว่าอริยะลงมาทั้งหมดเรียกว่าเนวเสกขานาเสกขะจะว่าศึกษาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ศึกษาก็ไม่เชิงเขาว่างั้น <laughs> พวกเรานี่ยแหละ อันนะั้รียกว่าเนวเสขานาเสขาศีลพระเสขาก็นับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปใช่ไหมโสดาปฏิมาจนถึงอรหัตตมรรคเรียกว่าเสขะอาเสขาได้แก่พระอรหรันเนวเสขานาเสขะก็พวกเรานั่นแหละคนที่ไม่ใช่พระโสดาบันเป็นต้นนะ่ะนะพวกเราไม่แน่นะไปเจอกลางท่านอาจได้เป็นแล้วก็ลำบาก یک, บาปไปกล่าวตู่ต่อไปนะ ว่าติกะศีนี่มีอยู่5ติกะนะติกะมี3ใช่ไหมติกะ เ, เรียวกว่าหมวด3มหมวด3าหครั้งเท่ากับ15นะมีอยู่15 15ศีนมาแบ่งเป็นติกะติกะไปแล้วก็จตุกะจตุกะก็คือหมวด4หมวด4ีนี่มีอยู่4อย่างมีอยู่4ี่จตุกะด้วยกันมี16บหกนะสี่คูณสเท่ากับสิมี4ี่จตุกะโดยเกี่ยวกับฐานภาคกิจศีนะ ศีลที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งความเสื่อมหรือว่าคบแต่ความเสื่อมมันงั้นเถอะมีศีลเป็นไปเพื่อเสื่อมก็เหมือนกับคนรักษาทรัพย์มีทรัพย์แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับใช้จ่ายซุรุยซุร่ยอันนี้คือทรัพที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งความเสื่อมนะมีศีลแล้วก็ไปทําตัวไม่ค่อยดีนะไปเกี่ยวข้องกับคนไม่ดีเป็นต้นอันนี้คือเรียกว่าศีลที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งความเสื่อม ส่วนทิติภาคยะก็คือศีลที่อยู่ในส่วนแห่งการตั้งอยู่คือหมายความว่าตัวเองก็รักษาแต่ศีลให้บริบูรณ์เท่านั้นอนะ่ะไม่คิดจะต่อคุณธรรมชั้นสูงต่อไปก็พอใจแค่ศีลอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าทิติภาคยะศีลที่อยู่ในส่วนแห่งความตั้งอยู่ส่วนวิเศษภ า, าคยะก็คือศีลที่พยายามเพื่อจะเจริญสมาธิต่อไปนะศีลก็เพื่อประโยชน์แก่สมาธิใช่ไหม เมื่อทำศีลให้บริบูรณ์แล้วก็น้อมศีลอันนี้เป็นไปเพื่อสมาธิเรียกว่าวิเศษภ า, าคียะเป็นไปในส่วนแห่งความเจริญวิเศษขึ้นนะนะแล้วก็นิเทาพทภาคียะนิเพธาแปล ว, ว่าส่วนแห่งการชำระ ก, กิเลส อ, อาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานแล้วก็เจริญวิปัสนาพิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นต้นเนี่ยนะมุ่งจัดชำระ ก, กิเลสอันนี้เรียกว่านิเทาพทภาคิยะศีล ศีลที่อยู่ฝกักฝ่ายแห่งการชั่แรกกิเลสอันนี้เรียกว่าจตุกะที่1มีอยู่4อย่างหานะภาคียะทิติภาคียะวิเศษสภาคิยะและนิเพทภาคิยะจตุกะที่สองมีอยู่4อย่างเหมือนกันโดยเกี่ยวกับพิขุศีลศีลของพระภิกษุภิคุณีศีลศีลของพระภิกษุณี อุปสัมบันศีลศีลของสัมมนนหรือว่าศีลของสัมมณ น, นรีขหัตศีลก็คือศีลของคารวะศีลของคุณรุ่งอย่างเงี้ยเรียกว่าขาหัตศีลอันนี้จตุกะที่สองนะทีนี้จตุกะที่สโดยเกี่ยวกับปกติศีลเช่นศีลของมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปเนี่ยนะเป็นปกติของเขาอะ ส่วนอาจารยศีลก็คือเกี่ยวกับมารยาทอาจาระก็คือมารยาทเช่นตระกูลนี้เขามีมารยาทปกติเขาจะมีมารยาทแบบนี้แต่เป็นมารยาทส่วนที่ดีนะจึงจะเป็นกุศลนะหรือว่าเกี่ยวกับลัทธินี้เขาต้องให้ทำแบบนี้แต่แต่เป็นกุศลนะเน้นไปที่กุศลเพราะศีล้องเป็นกุศลเพราะฉะนั้นศีลที่เป็นมารยาทแห่งตระกูลหรือเ ก, กี่ยวกับลัทธิอันนี้เาเรียกว่าอาจารศีล ส่วนธรรมตาศีลเช่นศีลของแม่พระโพธิสัตว์นะศีลแห่งมารดาพระโพธิสัตว์เรียกว่าธรรมตาศีลมารดาของพระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์ยัยงลงสู่คันแห่งมารดาแล้วอ่ะธรรมดาของแม่พระโพธิสัตว์จะทําตัวยังไงยังไงยังไงเป็นต้นอันนี้เรียกว่าธรรมตาศีลส่วนปุพหะเหตุ ت, ตุกัดศีลก็คือศีลที่มีเหตุมาแต่ก่อนก็คือศีลที่คนชาติที่แล้วเป็นคนบริสุทธิ์มาเนี่ยนะ หรือว่าของผู้ที่หมดจดอย่างมาจากพรหมโลกถ้าถ้ามาจากพรหมโลกจะเป็นปกติที่เป็นคนบริสุทธิ์อันนี้อาศัยศีลที่มาจากชาติก่อนๆเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยให้ก็ลายกลายเป็นคนดีเลยอย่างเช่นพระมหากรสปะเนี่ยท่านท่านเป็นคนดีตลอดเลยนะตั้งแต่เกิดเลยเพราะมาจากพรหมจุติมาจากพรหมมันคนที่จุติมาจากพรหมเนี่ยจะเป็นคนที่เรียบร้อยมาก มไม่บบมไ ม, ไม่ทำบาปเลยนิดเดียวก็ไม่ทำ ม, มีเหตุมาตั้งแต่อดีตเชิญพรให้เขาฆ่าเขาก็าไม่ฆ่าละอายสงสารสัตว์ไปอะไรไปทำชั่วทำไม่เป็นอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงเชินพอรอันนี้คือเรียกว่าปลุกพระเหตุตุกะศีลมีบุญเนาะบุญเก่ามาเยอ ะ, อะแต่ไม่แน่นะถ้าคนมาล่อกอเ็เสร็จเหมือนกันะนะอย่างพระโพธิสัตว์นี้ก็มาจากพรหมโลกเหมือนกันทีนี้ไอ้ความที่ มาจากพ ม, มาโลกนั้นจะไม่ไม่ยุ่งกับผู้หญิงเลยธรรมดาของเขาอะ่ะนี่ตอนหลังพระราชาวางแผนเอ้ยงั้นลูกเราก็ไม่มีขอ้อกลัวเลยไ ม, ไม่ไม่มีมเหสีหลังก็ให้นั ก, กวางแผนจนมีภรรยางั้นเละโอยหลังอย่างนั้นมาถือดาบไล่ค่าคนเลยไม่ให้ใครได้แบบนี้หรอกเอาคนเดียว แต่แตให้รู้ว่าเออมันก็บางคนก็รักษาความบริสุทธิ์ได้ได้ยาวบางคนก็ไอของเก่ามาดีแต่ว่าไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะรักษาต่อไปได้อ่าแล้วโดยจตุกะที่สโดยเกี่ยวกับจตุปาริสุทธิศินเคยได้ยินกันนะเนาะอ่าปาติโมกขสังวรหนึอินทรีสังวรหนึ่งอาชีวะปาริสุทธิศินและก็ปัจจะยาสานิาสิตศีล ในวิสุทธิมรรคนี้เน้นขยายปาติโมกเน้นขยายจัตุปริสุท ธ, ธิสีนี่มากนะซึ่งจะได้ศึกษากันต่อไปว่าคำว่าปาติโมกนั้นขอบเขตเป็นอย่างไรในจัตุกะคือหมวดสี่นี่มีอยู่4ี่จัตุกะด้วยกันพันสี่คูณสีได้เท่ากับ16บสีนะมาขึ้นจัดเป็น5เลยนะคี่เรียกว่าปัญจกะปัญจกะเรียกว่า หมวดห้าโดยเกี่ยวกับปาริสุทิศีห้มีปริยันตะปาริสุทิศีเป็นต้นแม้ท่านพระสารีบุตรเทระก็ได้กล่าวถึงศีห้อย่างไว้นี้ศีห้าอย่างไว้ในคัมภีรปฏิสัมพิธรมมักว่าศีลมีห้าคือปริยันตะปาริสุทิศีลคือศีลที่มีสิกษาบทเป็นที่สุดรอบเนี่ยนะปริยันตะปาริสุทิสีนเนี่ย ศีลที่มีศิขาบทเป็นที่สุดรอบอภริยันตะปริสุทธิศีลก็คือศีลศิกขาบทที่ไม่มีที่สุดรอ บ, บ, d, บ, บเป็นศีลของพระภิกษุอเงี้ยถ้าอย่างปริยันต์ปริสุทธิศีลก็ศีลของอุปสัมบาลของสัมเนนสัมเรีหรืออุบาศกเป็นต้นนี้ก็มีศีลเป็นที่สุดแต่ถ้าอภริยันตะปริสุทธิศีลก็คือศีลที่ไม่มีที่สุดรอบอย่างศีลของพระภิกษุเนี่ยไม่มีที่สุดรอบนับไม่จบนะ ว่าท่านมีศีลเท่าไร่แล้วก็ปริปุณนะปาริสุธีศีลคือศีลของกาลยานะปุทุชนผู้ประกอบกุศลโกรรมนะประกอบภุศลโสธรรมผู้กระทำให้บริบูรณ์ในเสขะปริยันตะนะไม่อะไรในร่างกายและชีวิตคือศีลของผู้ที่ปรารพว่าจะต้องบรรลุโสดาบันวันนี้นะ คล้ายๆว่าบริสุทธิ์ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องศีลบริสุทธิ์จริงๆอ่ะมุ่งเพื่อความเป็นพระโสดาบันอย่างนี้เขาเรียกว่าปริปุนณะปริสุทธิ์ที่ศีลศีลที่บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆถ้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้ต่อไปอปรามัทธศีลอะปรามัทธตาสุทธิศีลศีลที่ตันหาและทิฐิไม่จับต้องตันหาและทิฐิไม่รูปคล้ำ อันนี้เป็นศีลของพระเสขะนั่นเองพระเสขะเจ็ดจำพวกะนะตั้งแต่พระโสดาปติมมัคจนถึงอรหั ต, ตมัคเนี่ยเรียกว่าอะปรามัทธศีลอะปรามัทธปาริสุทธิศีลส่วนปฏิปสัสสติปาริสุทธิศีลนี่ก็หมายถึงศีลของพระอรหันต์อย่างเดียวดังนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญจกะที่หนึ่งมีห้าอยา่าง ปริยันตะตาปริสุทธิศีนอริยันตะปาริสุทธิศีนปริปุณะปริสุทธิศีนอะปรามัตตาปริสุทธิศีนแล้วก็ปฏิปัสสัททิปาริสุทธิศีนโอ้ยแค่ศีนเนี่ชื่อของศีนนี่ก็ชักลึกซึ้งเลยนะอะไรถ้าเราจํำมันค่อยได้โยนให้ลึกซึ้งหน่อกันคือความหมายของปริยันตานี่นะถ้าถ้าถ้าผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษนะะก็จะเข้าใจนะ ความหมายของปริยัตะคือหมายความว่าลิมิตมีลิมิตไหมนะคือมีข้อจำกัดไหมมีจำกัดบางบางคนนั้นไม่จำกัดเลยให้เป็นยังไงก็ต้องยอมล้กก็จะตั้งรักษาศีลจนกระทั่งอออันนั้นอันนั้นคนละนายกับเฉพาะปริยันตะปริสุทธิศีลในที่นี้ก็คือเน้นไปที่ตัวศีลเนี่นะศีลบางคนเนี่ยไม่มีจำกัดคล้ายๆกับว่าคนนี่มีทรัพย์สินนับไม่ถ้วน่ะ กอีคนเนี่ยเขามีทรัพย์สินเท่านี้อะนะอันนี้เป็นลักษณะของปริยัมต์ปริสุทธิธ์สิเนเจนพาแต่ว่าหมายถึงตัวสินนะไม่ใช่หมายถึงตัวบุคคล อ, อที่เรียก ว, ว่าถ้าบา ง, บางคนเ <c oughs> ถ้าบางคนจะล่วงศีลเพราะทรัพย์เพราะล า, าบสมมุติอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับมันสิ้นสุดอันนี้อันนี้จะยปริยัมตะศินเปล่ า, ราครับ อันนี้จะอยู่ในหมวดสองอยู่ในสระปริยันตะกะปริยันตะเป็นตัวนี้เป็นสระปริยันตะดูไหมเจนพนแต่ก็ไม่ไม่ใช่ในหมวดห้านี่นะคนละคนละกลุ่มกันเจนพรกลุ่มที่ผู้การว่านั้นอยู่ในหมวดหมวดสองอันนี้อยู่ในหมวดห้าคนละกลุ่มกันอ่าต่างกั น, กนชเช่นสระปริยันตะปริสุท ธ, ธิ์ศีลก็คือศีลของ อนุปสัสมบันอะนะเช่นศีลของสัมมาเนนเป็นต้นเขามีศีลเขานับได้ใช่ไหมสุดรอบแต่อภริยตะปาริสุทธิศีลเนี่ยหมายว่าศีลไม่มีที่สุดเลยอย่างของพระพิสูจ์เนี่ยนับไม่ได้นะว่าศีลท่านตัวศีลจริงๆเนี่ยมันเยอะมากอะ่ะคือคืออย่างอาบัตบางข้อเนี่ยนะกว่าจะเป็นอบัตข้อนั้นได้มันจะมีทุกเก้าทุกเก้าทุกเก้าอะอย่างอาบัตทุกกฎเนี่ยโหมีเป็นแค่ว่ามีเป็นโกฎอะพราะนมาณ มีมากไม่มีจํากัดไม่มีที่สุดเพรางั้นเถอ ะ, อ, ะอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าป ร, ริปุนา ร, ริสุทธิศีลเนี่ยนะฮะเจริญพรกับ อ, อระอะปริปุ น, นะอะปุนอประปริปุ น, นะป ร, ะริศีลคือคือศีลตัวนี้หมายความความบริบูรณ์ของศีลเจริญพรถ้าสมมติว่าพระภิกษุซึ่ง ศีลฐานแล้วแล้วก็สมาทานใหม่รว่แสดงแล้วถ้าถ้าตรงนั้นก็จะอยู่ประเภทของวิสุธทธิศีลแต่ไม่ใช่ ป, ปริปุนนะปริสุธทธิศีลถ้าปริปุนนะปริสุธทธิศีลเนี่ยเป็นลักษณะของศีลของผู้ที่จะทําให้ได้โสดาปฏิมาโสดาปฏิมามอของเรียกว่าศีลของกาลยาณปุตุชนผู้ประกอบในกุศลธรรม ผู้กระทาให้บริบูรณ์ในเสขะปริยันตะเนี่ยนะคือจะทำให้ให้ถึงที่สุดแห่งความเป็นพระโสดาบันอ่ะนะเป็นศีลของผู้ที่เจริญวิปัสนามุ่งความเป็นพระโสดาบันตรงๆเลยในช่วงนั้นแหละเขาเรียกว่าปริปุณะปริสุทธิศีลก็ต้องบริบูรณ์จริงๆใช่ไหมจึงจะได้พระโสดาบันเนี่ยก็คือกว้างกว่าปริวิสุทธิศีลกว้างกว่าวิสุทธิศีล ถ้าวิสุทธะก็คือแสดงคืนแล้วทําคืนอ่าบริสุทธิ์แล้วแต่ไม่ได้บริบูรณ์แบบนี้เพราะอันนี้มันเอาบริบูรณ์เลยะรอบเลยเพราะว่าจะเอาโสดาปฏิมักอะเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงมักเกือบเกือบมักแล้วเกือบเกือบมักแต่ถ้าอะปรามัทศีนั่นแหละนั่นแหละโซดาปฏิมักเป็นต้นจะเป็นอะปรามัตทศีน ต่อไปนะจัดว่ามีห้าอย่างอย่างนั้นเหมือนกันโดยเกี่ยวกับปหาณศีลเวรมณีศีลเจตนาศีลสังวรศีนแล้วก็อวีติกามะศีลไอในยศสุดท้ายเนี่ยลึกซึ้งที่สุดอ่นนานะปหาณาเวรมณีเจตนาสังวรอวีติกามะเนี่ยนะลึกซึ้งมากอ น, นี้อันนี้ยันอรหัตธรรมกเลยขยายวิจิตพิสดารมาก เกี่ยวกับเรื่องศีล น, นะคนที่เข้าใจศีลดีนุ่นคนนั้นจะต้องรู้จักอรหัตมักอรหัตแตผลดีเท่าไหร่นั่นแหละจึงจะรู้จักเรื่องศีลดีเพราะศีลอย่งเงี้สัมปยุทธกับโลกุตระมักโลกุตระผลด้วยนะอันนี้เฉพาะหัวข้อหลักๆก่อนนะเธนะอจะเริ่มขยายรายละเอียดจริงๆในเริ่มหน้าห้าสิบอ่าหน้าสาสิบหกเนี่ยนะข้อสิบเอดเป็นต้นไปเนี่ยจะเอาหัวข้อที่จริงก่อนหน้านี้เป็นมาติกาให้ไปท่องมา แ, แปลว่าให้ไปท่อง เป็นมาติกาเลยควรจวําไหมก็ต้องแยกกลุ่มให้ได้ถ้าถ้าแยกกลุ่มเนี่ยนะสับบางทีคล้ายๆกันแต่อมความไม่เท่ากันไม่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหัวข้อนี่นับว่ามีความสําคัญมากถ้าเรียงแบบนี้นะมาจา 1, 2, 3, 4, 5, ัดหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเรีว่ามาติกาเป็นหัวข้อแล้วก็จะอธิบายต่อไปตามหัวข้อนี้นะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างก็ตามสมควรเห็นตามความเหมาะสมท่านก็จะขยายตามนั้นไป แต่จะไม่ขยายนอกขอบเขตที่วางไว้คำพีทั้งหลายที่ที่เป็นคำพีชั้นมาตรฐานจริงๆจะขึ้นหัวข้อก่อนจะตั้งประเด็นก่อนแล้วอธิบายตามประเด็นพอหมดคำอธิบายขึ้นประเด็นใหม่แล้วจะอธิบายตามนั้นน่ะนี่คือหลักการขยายอัตกถาท่านจะไม่พูดอะไรไปเรื่อยเนี่ยนะท่านจะขึ้นหัวข้อก่อนแล้วขยายตามหัวข้อนั้นนั้นขยายจบขึ้นหัวข้อใหม่ขยายจบขึ้นหัวข้อใหม่ท่านจะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเป็นชั้นคัมพี์เนี่ยนะท่านจะตั้งปัญหาก่อนตั้งปัญหาแล้วขยายตามปัญหาที่ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไ ว, งไว้อย่างยกตัวอย่างคัมพี์ภาษาเรบุตรเนี่ยนะท่านจะตั้งหัวข้อขึ้นก่อนเลยตั้งมาติกาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสร็จแล้วก็มาขยายตามนั้นนะ่ะตั้งอันหนึ่งสองสามสี่อะไรเป็นอะไรเนี่ยจะขยายตามลําดับพอจบขึ้นมาติกาใหม่นี่เป็นที่เรียกว่า ตีกรอบของศีลโดยนัยะต่างๆนะเป็นเป็นเครื่องตรวจสอบว่าเราเข้าใจศีลขนาดไหนอันนี้นี่หนึ่งในปัญหานะที่ถามว่าศีลเนี่ยโดยประเภทมีเท่าไหร่ใช่ไหมมาแบ่งประเภทของศีลเพราะว่าถ้ารู้จักว่าศีลคืออะไรก็เจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังว น, นเป็นศีลอวิติกมะเป็นศีลง่ายไปก็บอกามาแบ่งประเภทให้ดูซินับหนึ่งได้ไหม เก็เหมือนเอาเวทนาเอาสวยอารมณ์สบายมากใช่ไหมเอามีให้เวทนาเนี่ยนับสองได้ไหมได้เวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนานับสามได้ไหมได้ไหมสุขทุกขเวขาเวทนานับห้าได้ไหมได้นับหกได้ไหมได้นะเวทนาที่เกิดจากจากขูสัมผัสเป็นต้นน่ะนะนับหก็ได้อ่านับมากกว่านั้นได้ไหมนับสิบสองได้ไหมนับสิบแปดได้ไหมนับสามสิบหกนับร้อยแปดได้ไหมอะไรเงี้ยนะ เราเวทนา36ก็นับไดนะ้ท่านมาเรียงเวทนาที่เกิดจากปัจจัยไหนบ้างมาเรียงเป็น1234ท่านขยายละเอียดมากะนะน่ะถ้ารู้เรื่องเวทนาจริงๆก็มาตีกรอบล็อกขยายกว้างขนาดนั้นได้ ท, นน ท, ทีนี้มาดูในคํารายละเอียดที่เป็นคําอธิบายเลยนะส่วนในส่วนแห่งศีลเหล่านั้นความหมายในส่วนแห่งศีล ที่มีอย่างเดียวเพึงทราบตามนัยยะที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วนั่นเทียวสีในหนึ่งก็คือสีละนะเนี่ยนะถามว่าสีในหนึ่งคือสีละนะเนี่ยมีขยายที่ไหนหน้าอะไรถ้าใครอยากดูสีละนะก็ต้องย้อนกลับไปดูข้อเจ็ดนะหน้า ยี่สิบสี่ให้คำจำกัดความหรือให้ความหมายของคำว่าศีละนะเพราะฉะนั้นคำว่าศีลละนะจะไม่ขยายเพราะว่าพูดมาเยอะแล้วศ <c oughs> ีละนะมีกี่ความหมายนะเมื่อกี้หนึ่งนะเขาเรียกว่าหนึ่งตั้งไว้ด้วยดีใช่ไหมสองรองรับกุณศรธรรมชั้นสูง อันนี้เรียกว่าลักษณะของศีลนะครเขาลักษณะเขามีอย่างเดียวเท่านั้นแหละศีลก็คือตั้งกายวาจาไม่ให้ไหลไปกับทุจริตนะนะแล้วก็การตั้งแบบนี้รองรับผูสุลธรรมชั้นสูงนี่คือลักษณะของเขาเยนะไม่ละเมิดด้วยกายทุจริตวจีทุจริตเนี่ยนะบาปไม่ไม่ล่วงมาทางกายและทางวาจา แล้วก็ไอ้พฤติกรรมแบบนี้รองรับกุศลธรรมชั้นสูงนั่นแหละคือคือลักษณะของเขาเนี่นับหนึ่งนะนับหนึ่งมีเท่านั้นแหละ